ห, ห้ ใ, ว, ใ, ใ, หใ ว, ว, วันนี้ก็เป็นเคสที่เก้าด้อยนี่สี่ส2 2 ลดกเกษียณแล้วเนี่ยควรจะเลิกดูละครหนังละครได้แล้วหละการละเล่นเพราะมันใกล้แล้วใกล้ฝังไอ้ไมค์ไมค์ใกล้ฝังแล้วควรจะสร้างหนทางสว่างกลุยทางไปสู่สวรรค์ได้แล้วแหละจะเอ r ร y r ี่ i ีไทยหรือลีไทยไม่ได้เอไม่เอ r ร y ี่ก็แล้วแต่นี่เนี่ยมันวัยนี้แล้วเนี่ย มันไปตั้งสแสวงหาหนทางสวรรค์กันยแล้วแหละหนังละครเนี่ยเลิกมันเลยไปฝันไปละผมไม่ใชายเยอรมันไปลูกประทามทางไกลจากประเทศเยอรมันนี้มผมโชคดีครับที่ผมมีภรรยาเป็นคนไทยที่แสนดีดีศ <c oughs> ิลปะการเอาใจภรรยา <c oughs> ออจะยนืนยันยืนยันว่าโอ้ยสาวไทยนี่ชั้นหนึ่งเลย และเธอน่ารักมากๆครับ mm hmm. อสงสัยดูด้วยกันนะเ <Yeah. laughs> ถืท้ายผมได้รู้จักศาสนาพุทธเ mm hmm. ถอท้ายผมได้ดูด mm ี c hmm. อครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษกายน2547 mm hmm. และเพราะดีเอซนี่แหละครับต่อไปผมได้เห็นพระพุทธรูปที่สวยมากที่สุด mm hmm. และผมได้เห็นชื่อจารึกที่ฐานองค์พระผมชอบอมา ก, mm hmm. มากพระยาก่อธิบายว่าไม่ว่าใครกะทาบุญสร้างองค์พระได้ mm hmm. แล้วก็สามารถจารึกชื่อตอนเองได้ทุกคนโอ้ผมดีใจมากผมว่าคุ้มมากที่ปัจจัยเพียงเล็กๆก็สามารถทำบุญและจารึกชื่อตอนเองลงบนองค์พระรที่สวยมากๆขนาดนี้เดี๋ยวนี้ผมติดใจดีเมซีแล้วลรอครับเ<อ>พราะผมได้เรียนรู้เรื่องราวกดแห่งกรรมจากที่นี่ดีเอมซี C, ชองนี้ช่องเดียผมขอส่งเรื่องกระางผมไม่ยังช่องเดี๋ยวผมติดใจตลอดมาดังต่อไปนี้ครับ แม่ของผมเกิดที่เยอรมันฝั่งตะวันออกที่นี่มีธรรมชาติสวยงามมากแต่ชีวิตว้ยเด็กของแม่ไม่ได้สวยสดงดงามเลยเพราะเป็นช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองท่านยังมักเล่าเรื่องราวในอดีตแสนรันท์ให้ลูกๆฟังเสมอรวมทั้งเรื่องลางผู้นาประเทศเยอรมันนี้ที่สั่งฆ่าล้างเผาพันชาวยูนับหมื่นนับแสนคน คือรู่คุณยาก็มาเกิดตอนช่วงนั้นพอดีพอเจอคุณยายก็คุณคุนคุเนี่ยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะหลวพ่อวัดบังน้าเนี่ยให้ตามคุณมาเกิดไม่รู้เรื่องก็รับฟังท่านไม่ทำไมให้เกิดตอนนั้นเนาะมันหย่อน ที่สังฆาล้างเผ่าพันชาเย็นนับหมื่นนับแสนคนอย่างน่าสยดสยองและเรื่องมหภาภัยจากระเบิดปรมาณูที่เกาะฮิโรชิมะประเทศญี่ปุน่นที่ทําแทบทุกสิ่งทุกอย่างแบนราบเป็นหน้าคลองนี่ไม่ ไ, ไดพูดหลวงปู่เนี่ยถามคุณยาจายของเราเมาื่อไอระเบิดนี่มันลงเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นไงมึงคุณยายท่านก็ หลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายหยุดใจภายในแล้วก็ตับแผ่นดินจะลาบเป็นหน้ากลองเลยเคยเห็นหน้ากรองมันเรีย บ, บมันไม่ไม่ไม่แบ ง, งนี้ตีเจ็บมือแต่มันก็คือลงๆงเงี้ยทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่ถูกทำรายล้างจนยากที่จะประเมินค่าความสูญเสียได้ทุกภาพความทรงจำอันเลวร้วรายทำให้แมงผมยากที่จะลืม ท่นจะไม่จะรำพึงรำมันเสมอว่าเป็นความทรงจําที่เลวร้วรายมากมันโหดร้ายมากไม่อยากให้โลกนี้มีเหตุการณ์อย่างนี้อีกเลยมันทุกข์ทรมานมากนี่แหละครับความโหดร้ายจากสงครามอิศราสมัยนั้นได้รับตาเบาๆทาใจนิ่งๆทําสงครามภายในใจของตัวเองให้สงบนิ่งลงเสี ก, ก่อนผมว่านะครับสงครามภายนอกก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลย mm. อืก็จริงจ้า แม่ผมมีลูกชายสี่คนผมมีลูกชายคนสุดท้องแม่ทำงานเป็นแม่ครัวทำอาหารเลี้ยงคนงานที่ที่โรงงานแห่งหนึ่งทำงานจนมือไม่มีแรงทำอะไรไม่ได้แม่ทำงานจนกระเียนแล้วก็เป็นโรคเบาหวานแม่ผมเป็นคนจิตใจดีนะครับดยดูไปแล้วแม่ผมมีนิสัยคล้ายคนไทยที่นับถือพุทธโดยทั่วไป และด้วยเห็นนี้ล่ะครับแม่จึงรักภรรยาของผมคนปัจจุบันนี้มาแส <Okay. S 1> ดงมีต้องมีคนในอดีตเนี่ยต่อมาแม่ป่วยหนักอยู่ในห้อง i c ซเมื่อผมไปถึงโรงพยาบาลเห็นแม่นอนไม่รู้สึกตัวเลย mm hmm. มีสายอรยงระยางที่เตียงแม่เต็มไปหมดเลยนะผมเห็นแล้วก็สงสารแม่มากๆเลย แล้วภรรยาก็บอกให้ผมกราบขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทากับแม่ผมทําตามที่เธอแนะนำด้วยความเต็มใจแต่ทั้เธอได้วางแผ่นกระดาษที่มีรูปองค์พระไว้บนอกแม่ภรรยาเป็นคนวางเลยจ๊ะแล้วเธอก็พูดกับแม่ที่นอนไม่รู้สึกตัวว่าแม่เราได้สร้างองค์พระให้แม่แล้วคอยแม่คิดในสิ่งที่สว่างสวัย แล้วเธอก็สวดบูชามหาสุวรรณานิธิได้แค่จบเดียวเท่า น, นั้นจากเดินสัญญาณคลื่นหัวใจที่ดังแผ่วๆของแม่ mm hmm. เกิดเสียงดังมากขึ้นมาทันทีดังวิบวบเจา้าพยาบาลวิ่งเข้ามาในห้องไอซแล้วบอกว่าไม่อนุญาตให้เราเยี่ยมอีกหลังจากนั้นไม่กี่วันแม่ก็เสียชีวิตลงด้วยโรคเบาหวานนี่ก็ททำถูกหลักวิชาขยือดอายุมาได้อีกสักนิดนึ่ง okay. แต่พยาบาลยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ริงตั้งประคองให้ท่านอยู่ในบุญเท่าที่จะเข้าใจได้จะทำให้ใจป่องใสตัวผมเกิดที่เยอรมนีตะวันออกในยุคนั้นอาหารการกินไม่สมบูรณ์ครอบครัวผมยากจนมากครับขาดสนุทุกอย่างที่จำเป็นผมยอมรับว่าผมยากจน จนไม่รู้จักแม้กระทั่งกล้วยกล้วยที่แสนอร่อยปิบาลเกิดผมสมัยนั้นกล้วยก็คือผลไม้ที่มีเปลือกดำครับสุกงอมจนและไม่นะ่ารับประทานเลยเราการคามนาคมยุคนั้นไม่สะดวกอขอจะถึงก็เกือบจะเน่าแล้วเห็น ไ, ไหม อ, อยู่เมืองไทยนี่เห็นไหมนี่กล้วยจนะทำกันนะ แต่เดนนี้ผมรู้แล้วล่ะครับป่าแท้จริงกรวยน้ำมีสีเหลืองอารามผิวตึงนุ่มหอมและก็อร่อยมากๆยิ่งกรวยหอมกลิ่นก็ะ้อมหอมดวยน้ำว้าก็น่ากินแต่สลหรับผมแล้วผมชอบก่ายๆมากๆเลยสำหรับชีวิตในใบหนุ่มผมทุกคนต้องทำงานขึ้นกับรัฐบาลหลังจากที่ผมทำงานได้เงินเดือนประจาแล้วผมยังรับแจ้งซ่อมบ้านทาสีทาทุกอย่าง ผมมสามารถจับเงินสร้างบ้านเอาตนเองหนึ่งหลังและแล้วผมก็ได้พบรักครั้งแรกกับหญิงสาวชาวเยอรมันล้วรู้จักกันไม่นานก็นแต่งงานกันพรผมมีเรือนหอรอลักเพราะผมมีเรือนหอรอรักอยู่แล้วจึงมันจึงเป็นต้องรักแล้วรอหน่อยเหมือนเช่นคู่อื่นๆครับเราไม่นลูกเดีกันสองคนตอนนั้นผมรักภรรยาคนแรกมากครับแม้แต่แม่งผมมาตือนว่าภรรยาของผมเนี่ยนะ เนี่ยเขาไปท้องคนอื่นมาและลูกทั้งสองคนก็นไปใจ้หลวงผมตอนนั้นผมก็ไม่เชื่อแม่ของผมเลยนำ้ำตาผมยังโกรธแม่ของผมมากเป็นเวลานานถึงสองปีเลยทีเดียว<อ>ต่อมาพันยา ค, คนแรกอยากจะแยกครอบครัวไปอยู่ที่เยอรมันีตะวันตกเพราะมีความเจริญมากกว่าแต่ตอนนั้นยังมีกำแพงเบอร์ลินกั้นประเทศอยู่<อ>มันก็เป็นเรื่องอยากมากครับที่จะยแยกไปอยู่เยอรมันีตะวันตกผมเริ่มต้น แต่การเขียนคำร้องต่อรัฐบาลหลายครั้งต้องชี้แจงเหตุผลอย่างละเอียดจนในที่สุดรัฐบาลอนุญาตให้ย้ายได้แต่ต้องยกบ้านของผมให้กับรัฐบาลผมตกลงครับเพาะความต้องการของภรยาเป็นเหตุผลสําคัญที่สุดที่ผมจะต้องทําทุกสิ่งเพื่อเธอเพราะผมและครอบครัวเสียชีวิตภรยาหนึ่งโลกสองได้ย้ายมาอยู่ที่เยอรมันตอนตกซึ่งแรกๆผมก็ลำบากมากไปสมัครงานที่ไหน ก็ไม่ได้งานเลยผมสมัครหลายแห่งจนท้อใจแล้วก็เครียดมากเพราะลูกๆแทบไม่มีอาหารการกินกันเลยแต่แล้วก็เลยสัตว์ทำถนนแห่งหนึ่งรับผม็ทําทำงานดังนั้นชีวิตของผมก็พลิกผันมีความมป็นอยู่ที่ดีขึ้นและผมก็ยังขยันขันแข็งเช่นเดิมทั้งทำงานประจำและรับจ้างขุดดินสร้างบ้าน ทำทุกอย่างจะมีบ้านเป็นของตัวเองอีกครั้งชีวิตผมแล้วครอบครัวดีขึ้นตามลำดับมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแต่ผมก็ยังมุ่งแต่ทำงานทำงานจนไม่มีเวลาให้ภรรยาแล้วเธอก็ฟ้องหย่าผมผมก็ตกใจมากภรรยาได้ลูกทั้งสองคนไปดูแลตอนนั้นลูกชายคนโตสิบขวบลูกสาวคนเล็กแปดขวบ แผมต้องสูญเสียบ้านเป็นครั้งที่สองให้กับภรรยาพราะมทั้งตั้งใจค่าเลี้ยงดูลูกจงกว่าจะเรียนจบปัจจุบันลูกทั้งสองคนอายุยี่บส2ปีและยี่สิบปีหลังจากผมหย่าจากภรรยาคนแรกแล้วผมเหลือแต่ทีวีเครื่องเดียว <Huh? S 1> ไม่มีแม่ติที่ซุกหันอนที่จริงได้จะยกทีวีให้เขาไปเครื่อ ง, <c oughs> ตงแต่แต่เนั้นมาผมไม่เคยเจอลูกๆอีกเลย ยังัง่บ้านพอแลวบ้านลูกห่างกันเพียงห้ากิโลเมตรเท่านั้นออผมเจ็บปวดมากเลยผมอยู่นเดียวมานานสิปีเพราะเจ็บนานมากจนกทั่งได้มปแต่งงานกับปริยาคนไทยที่สุดแสนดีหนึ่งเดียวคนนี้แหละครับหวานจริงๆนี่ปริางผมเป็นคนไทย ผมรู้จักเธอเพราะเพื่อนชาวเยอรมันของผมแต่งงานกับเพื่อนหญิงชาวไทยของเธอเพื่อนแต่งกับเพื่ <_ an> อนอืคนจะอยู่ว่างก็เลยแต่งกับอบ้านพึ <_ an> ่งเธอจึงแนะนําให้เราได้รู้จักกัน <_ an> ใช่เป็นผู้หญิงที่แปลกมากๆเธอมักจะบอกกับผมเสมอว่าอยากหาวัดพุทธอยู่ใกล้บ้านอยากนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจเธอเหรอครับแต่ผมก็ไม่ขัดใจ ก็ผมรักเธอคนเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้รู้จักวัดพุทธตาบวกฝรั่งเศสเธอดีใจมากจึงได้นิมนต์พระมาทมบุญที่บ้านแล้วก็เด็ดติดด m c ีที่บ้านหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆเข้าใจพุทธศาสนาได้มากขึ้นผมก็มักจะช่วยเหลืองานต่งางๆ ท, ที่วัดซึ่งระยะทางห่างจากบ้านผมแค่ย0สนาทีเท่านั้นผมช่วยงานตั้งแต่เป็นสารถีแก้วไ้พระยาน ก็สร้างบันไดาภายในที่สวยงามให้ที่วัดเดินสายไฟและงานต่าง ๆ, ๆชีวิตของผมยังเปลี่ยนไปนี่แหละครับบทบาทของบริยาผู้อยู่เบื้องหลังความสุขของผมเธอคนนี้เป็นคนที่เติมเต็มชีวิตของผมให้สมบูรณ์คาถามท้ามาชีวิตในวยัยเด็กของแม่จึงเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่มีความทุกข์ยากลาบากมาก แล้วทำไมเมื่อสองครามยุติแล้วแม่จึงยังไม่ลืมความทรงจําที่โหดร้ายจนตลอดชีวิตของแม่คนในประเทศเยอรมนีในยุคสงครามโลกครั้งที่สองทำไมจึงสั่งฆ่าล้างเผ่าพันชาวยูนับหมื่นทับแสนคนอย่างน่าสยดสยอง<ม>เขาตายแล้วไปไหนโอ้แล้วชาวยูที่โดนสังฆ่าพเพรามีวิบากกรรมใดมาถึงต้องมาตายหมู่อย่างน่าสยดสยองอย่างนี้ แต่ละคำถามนี่นะเหตุใดแม่ผมยิ่งต้องทำงานหนักจนมือไม่มีแรงทำอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นโรคเบาหวานเกิดจากวิบากกรรมใดขณะแม่ป่วยหนักอยู่ในห้องไอซีพระยาได้สวดบูชามาหาส่วนในดิทิถูกหลักวิชาเลยให้ท่านก่อนให้ท่านจะเสียชีวิตเพราะนั้นน่ะแม่ของผมรับรู้ได้หรือเปล่าครับผมแลบพระยาทำมูสร้างพระหนึ่งองค์ตอนที่แม่ป่วยหนัก แม่ได้รับบุญ น, นี้แล้วทําให้แม่เป็นอย่างไรบ้างแม่แตายแล้วไปอยู่พ่อพุ่มไหนแม่มีอะไรฝากบอกมาถึงผมและภรรยาบ้างไหมครับทําไมผมจริงต้องมาเกิดที่เยอรมันตะวันออกมีความยากลําบากมากอาหารการกินก <c oughs> ็ไม่อุดมสมบูรณ์การคมนาคมก็ไม่สะดวกเกิดจากวิบากกรรมอะไรครับเว่า <c oughs> ครั้งที่ผมอยู่เยอรมันตะวันออกด้วยความกระดิกนิ้นแข็งจากการทํางานตอนให้ผมมีบ้านเป็นของตนเองนั้น เกิดจากบุญใดแล้วทําไมผมยังต้องสูญเสียบ้านให้กับรัฐบาลเพื mm ่อแลกเปเลี่ยนกับการขอย้ายไปอยู่ที่เยอรมนีตะวันตก mm hmm. เมื่อผมย้ายมาอยู่ที่เยอรมนีตะวันตก mm hmm. ผมก็องกลับมามีชีวิตที่ลำบากครั้งหนึ่งจนแทบไม่มีเงินซื้ออาหารกิน mm hmm. เกิดจากเหตุใดและต่อมาผมสร้างฐานะจะมีบ้านเป็นของตัวเองอีกครั้งแต่ผมก็ต้องเสียบ้านเป็นครั้งที่สองให้กับอดีตภริยา เกิจากวิบากกรรมใดผมจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรเหตุใดใครต่างก็บอกผมว่าลูกทั้งสองคนที่เกิดจากอดีตปริยาไม่ใช่ลูกของผมแล้วผมเคยขออดีตปริยาตรวจดีเอ็นว่าเป็นลูกผมหรือเปล่าแต่ก็ไม่ยอมครับผมยังอยากรู้ว่าลูกทั้งสองคนเป็นลูกผมหรือเปล่าครับมันต้องไปถามกันเอง แล้วทำไมลูกและผมยังไม่ได้เจอกันมานานหนสกว่าปีเป็นกรรมเก่าของผมหรือเปล่าครับแล้วทำไมผมจึต้องมาจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูลูกหลังหย่ า, ย า, ยาแล้วจนกว่าลูกทั้งสงคนจะเรียนจบด้วยละครับอิบากกรรมในท้ายผมเกิดนอกบุญญเขตพระพุทธศาสนาแต่พรรยาผมเกิดมาในบุญญเขตพุทธศาสนาแต่ก็แปลกที่เราทั้งสองคนได้มาเจอหมู่คณะพร้อมกันเมื่อมาแต่งงานแล้วจึงมาเจอแต่เกิดนอกบุญญาเกิดในบุญญเขต ได้ทำบุญและช่วยงานพระพุทธศาสนาในการมาเสมอมาเป็นเพราะเหตุใดครับผมและภรรยาคนปัจจุบันเราเคยเป็นสามีภรรยามาในอดีตหรือเปล่าครับผมและเธอเคยทําบุญร่วมกันมากับบุคคลนอย่างไรตอนนี้ผมและภรรยาเป็นกําลังสําคัญในการพาคนมาทําบุญที่วัดและช่วยบุรณะวัดในหลายส่วนผมและภรรยาจะได้รับอา น, นิสงส์อย่างไรบ้างครับอืม มีมียดีเหมือนมีภรรยาดีอืมจำเรื่องราวและคำถามได้มั้ยจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็ตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาเท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามรากันจะโอ้นี่คำถามอืมหนักๆนั้นเลยเนาะ ชีวิตในวัยเด็กของแม่ซึ่งเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีความทุกข์ยากลำบากมากเพราะกำเนิดดีตชาติชาติหนึ่งที่แม่เคยเกิดเป็นแคว้นที่ชอบทำสงครามแล้วก็มักชอบอนุโมทนาบาป และสนับสนุนทางอ้อมใองทัพออกไปรบยึดเมืองอื่นเช่นมอบเงินให้กับทางการไปรับมเป็นต้นวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะเราจะเจออย่างนี้อยู่ซ้ํำๆกันอยู่เรื่อยเพราะว่าสงครามภายนอกไม่เคยหยุดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวมีรบย่อยกับรบใหญ่อย่างเนี้ยทุกวันเลยเดียวซีกโลกนี้เ ด, ยเนะเดียวประเทศนั้นเดียวประเทศนี้มีทุกวันเลยนี่ แม่สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงแล้วแม่ก็ยังไม่ลืมเหตุการณ์พราะแม่ฝังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการที่แม่ปลอยินดีกับการนาสงครามในอดีตชาติดังกล่าวที่กองทัพในบ้านเมืองตอนไปรบชนะแขวนอื่นจนทําให้ชาวเมืองนั้นฝังใจในเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นมารวมส่งผลเจ้าแควนนั้นเขาก็ทุกข์ยากแควนอื่น แต่อีกแกวนหนึ่งรบชนะก็รื้อแม่อยู่ในแกวนที่รบชนะแต่อแควนที่แพ้นนเนี่ยขาชาวเมืองเขาทุกข์ยากเขาก็ฝังใจเนี่ยแม่เป็นหนึ่งในนั้นก็มาเจออย่างนี้บ้างผู้นำประเทศเยอรมันมีในสงครามโลกครั้งที่สองนี่อย่าลืมเราลัง เ, เป็นตัวเป็นตานะัสั่งฆ่าชาวเยอรมนีจานวนมากอย่างสยดสยองาะ นี่เรากำลกังเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งการกระทาทางกายทางวาจาทางใจลว้วนมีผลทั้งสิน้นที่สังฆ่าชาวยุพิชจรลมากแห่งโสเสยองพระเกิดจากการจองเวรมาในอดีตชาติใกล้ๆเนี้ยโดยในยุคนั้นอดีตท่านพุ้ น, นำเนี่ยได้เคยไปเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง โดยจะเป็นผู้นําของหมู่บ้านนั้นสืบตอบจากพ่อหรือผู้นําเผ่าเผ่าหนึ่งเนี่ยแต่จํานวนหลายเผ่าที่กระกจายกันหมู่บ้านนี้นก็คือเผ่าเผ่าหนึ่งเนี่ยแต่ท่านผู้นําท่านเนี้ยไปเกิดอยู่ในเผ่าหนึ่งซึ่งพ่อเป็นผู้นําเผ่าแล้วก็สืบทอดการเป็นผู้นําเผ่าแทนพ่อหลังจากพ่อเสียชีวิตไปแล้วในในใกล้ใกล้เนี่ยใกล้ๆเนี่ยเนี่ย เป็นเผ่าเผ่าหนึ่งในจำนวนหลายๆายเผ่าที่กระจัยกระจายกันได้ถูกกษัตริย์ยวโบราณส่งกองทัพมารุกรานและทำลายทรัพย์สินของเผ่าในเผ่านี้แล้วก็กวาดต้อนบุคคลในเผ่าไปเป็นเชลยกษัตริย์ยโบราณ น, นั้นเพราะนั้นช่วงใกล้ๆนี่เองเนี่ยจึงทำให้อดีตผู้นำเผ่า อดิบร่นเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำเผ่าในตอนนั้นเกิดความแค้นและผูกพยาบาทโดยตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าว่าสักวันหนึ่งจะต้องแก้แค้นคืนให้ได้ถ้าได้โอกาสโดยจะฆ่ามาให้เหลือเลยทั้งเผ่าพันธุ์เพราะ่าฆ่าเผ่าพันธุ์เรารการจะมาเป็นผู้นำนี้ต้องมีบุญเก่ามาแต่อย่าลืมยังไม่หมดกิเลสอาจารย์เมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เข้ากิเลสก็ได้ช่อง ค, ค, ความแค้นความผูกพยาบาท ตั้งใจมั่นอย่างแรงข้าวสักวันหนึ่งจะต้องแก้แค้นคืนทะาเดโอกาสโดยจะข้าไมา่ให้เหลือเลยนะ ร, รวมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันดังที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ที่เราทราบอยู่แล้วจึ่งทำให้ในชาตินี้เมื่อมาเกิดเป็นผู้นำด้วยบุญเก่าที่สงเคราะห์โลกในหลายหลายชาติบรวมทรงผลสงเคราะห์โลกช่วยคนยากคนจนสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลแรงต่างพวกนั้นนะทามาหล า, หลายชาติ บุญห ล, หลายชาติมารวมส่งผลกันในชาติเนี้จึงได้เป็นผู้นําเ่ไหมจ๊ะเพราะเราบุญอย่างเดียวเนี่ยเมื่อมาเป็นผู้นําแล้วจิตที่ผูกพยาบาทที่ผูกเวรเนี่ยได้ทําให้เกิดความนึกคิดเป็นแหล่งกําเนิดของความคิดคําพูดและการกระทาจิตที่ผูกพยาบาทค้ามชาติมาจองเวรมา ส่วนชาวยิที่ถูกฆ่าหมูก็ต่างคนต่างเขามีกรรมเป็นของตนเองหลากหลายแต่โดยรวมจะมีกรรมปรนานนติบัติที่เคยสั่งฆ่าคนหรือฆ่าเองมาไม่มากก็น้อยจะฆ่าสัตว์มั่งฆ่าคนมั่งฆ่าอะไรต่างๆฆ่าเองมั่งสั่งคนอื่นฆ่ามั่งหรือกรรมอย่างอื่นหลายๆกรรมหลากหลายทีเดียวแต่กรรมหลักๆคือกรรมปานาธิบัติเนีย่ยมาส่งผลแล้วมารวมกันเกิดในพร้อมๆกัน อดีตผู้นำตายแล้วก็ไปอยู่ในอาเวจีมหานรกในกรรมปานาติบาต ท, ทั้งหมดที่ทำสงครามฆ่าคนโดยมีร่างกายใหญ่โตปานภูเขาในจอมนิดเดียวนะแต่ตัวจริงตัวขนาดภูเขาใหญ่ๆอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมหกด้านหกด้านเป็นกล่อง หกด้านน่ะเผยออกไม่ได้แล้วในนั้นก็มีจะมีแก๊สไฟกรดที่ร้อนแรงมากๆเผ <c oughs> าไหมา้อยู่ตลอดเวลาทุกทรมานมากจะต้องอยู่ในมหานต ล, ลกนี้เป็นกับเลยใช่ <c oughs> นี่เป็นกับเพราะฉะนั้นพระเตมีจิงยอมเป็นไม้ไง <c oughs> ไม่อยากเป็นผู้นำเดี๋ยวก็หนีไม่พ้นอย่างนี้ใ น, นขนาดไม่ได้ปูกเวรจองเวรใครมานะ่ แต่นี้จองกันมาข้ามชาติแต่ชาติใกล้ๆเนี่ยยัองอยู่ในนี้อีกนานแม่ตา ม, มาทํางานลําบากมากจนมือไม่มีอแรงทําอะไรไม่ได้เพราะกํนนาเนิดดีแม่เคยเกิดในสังคมศักดิ น, นาชั้นสูงแต่ใช้อแรงงานทาดอย่างหนักและสัส่งฆาสัตว์ธรรมหารเป็นประจําในสังคมยังสูงที่มีแรงมีทาดเบริวาร ได้สั่งได้ใช้ราย ง, งานทาสอย่างหนันกและสังฆ่าสัตว์รมชาติประจําเพื่อเลี้ยงแขกเหลือจึงท้ายมีอาการดังกลาวแล้วก็ทําให้ได้จากม่มือไม่มีแรงแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยเบาหวานนั้นก็จะเป็นคำปฏิบัติเป็นหลักขณะที่แม่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลในห้องไอซียูพระยาได้สวดบูชามหาส่วดนิธิให้ท่านก่อนตายนั้นท่านก็เล่เรื่องแบบบ้างแบบสลึมสลือ ตอแม่ป่วยน่ะได้รับบุญที่ลูกทําให้จึงทําให้มีจิตฟองใสก่อนตายมแม่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองหลังย่มยมอมๆแม่ได้ฝากขอบคุณที่ลูกสร้างพระไปให้ตอนก่อนตายจึงทําให้ท่านมาอยู่ตรงนี้ซึ่งทําให้ท่าน ม, มีความสุขกว่าตอนเป็นมนุษย์มากจ้ะลูกต้องมาเกิดในเยอรมันตะวันออกในยุคที่อาหารการกินไม่สำ불เขานาคมลําบากมีความทุกข์ยากมากเพราะ ลูกทำทานมาไม่สม่ำเสมอจึงทำให้กรรมตันนีในบางชาติได้ช่องสมควรที่ต้องมาเกิดในดินแดนที่ทำให้ลูกต้องมีชีวิตลำบากยากจนเจพ่าะครั้งลูกอยู่ที่เยอรมันตะวันออกลูกมีความขายันขันแข็งในการทา ง, งานจนทำให้มีบ้านเป็นของตนเองเพราะบนที่ลูกเคยทำทานมาบ้างในอดีตเช่นสงเคราะห์โลกเหลือญาติแบ่งปันของให้เพื่อนบ้านเป็นต้นเริ่มส่งผลจึงทาให้มีบ้าน เป็นของตนเองกี่กับความเชื่อเรื่องความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ทั้งหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นดังนั้นจริงต้องทํางานหนักและจะมีสมบัติเกิดขึ้นจะแต่ตั้งเสียบ้านแม้รัฐบาลเยอรมันตอนนั้นออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับการขอญาตมายังเยอรมันตาวันตกเพราะก้าวในอดีตเคยปล่อยเงินกู้ได้รับจํานองบ้านที่ดินแต่มาลูกนี้ไม่สามารถใช้คืนนี้ได้ก็เลยยึดทั้งที่ดินและบ้าน ท, ทั้งทั้งที่ ที่ดินและบ้ามีมูลค่ามากกว่าเงินกู้พิบาต ก, กรรมนี้มาส่งผลใช่คือมากกว่ามากอ่ะอนี่ไปทําให้เขาลำบากเจอมึนเมื่อมาอยู่นจะเริมันมันตกใหม่ๆก็มีชีวิตลําบากจนแทบไม่มีเงินซื้ออาหารการกินเพราะกรรมตรนีในอดีตไดช้ช่องส่งผลอีกเนื่องจากทําทานไม่สม่ําเสมอดังกล่าวจึงทําให้ชีวิตเขาเปานลำบากครั้งหนึ่งจ้ะ ธรรมาสร้างฐานะจะมีบ้านเปนของตนเองแต่ก็ต้องยกบ้านในการกับ อ, อดีตภรรยาเกา่าเพราะกรรมนาดีที่เคยปล่อยกู้แล้วยึดที่ดินและบ้านของลูกนี่หลายครั้งต่างการรมต่างวาระมาส่งผลอีกจ้ะจะแ ก, ก้ไาขาก็ให้สั่งสมบุญทุกบุนทัทง้งทานศีลภาวนาสม่ําเสมอและอธิษฐานเจตอบุนี้ไปตัดาราวนิบาติกรรมนังเก่าวให้หนักเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะใครจะว่า วลลูกสองคนที่เกิดจากอดีตภรยาเก่าไม่ใช่ลูกทแท้ๆของตัวลูกก็ช่างเขาประไรหรือแม้แต่ภริยาไม่ยไม่ตรวจ DNA ก็ช่างเขาประไรไม่เป็นไรไก่ตัวลูกรักและเอ็นดูเขาตลอดไปเพราะชีวิตในสังสารวัตรไม่มีใครที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อแม่ลูกประยา่ากันเลยเป็นต้นจ้า ตัวลูกไม่ได้เจอลูกทั้งสองคนเป็นเวลาสิปีกว่าก็ไม่เป็นไรให้ใจรักและห่วงใยกันก็ใช้ได้จ้าตัวลกตั้งจังเงินเป็นค่าดูแลลูกทั้งสองยังกว่าจะเรียนจบก็เป็นสิ่งที่ดีที่ลูกจะได้บุญในการสงเคราะห์บุตรบุญนี้ก็จะได้ส่งผลให้ตัวลูกในยามลําบากก็จะมีคนมาช่วยดูแลบ้างจ้าก็จะไปคิดอะไรเลยเรื่องมันผ่านไปแล้วจะไปคิดอะไรเลย ตอนนี้สร้างบุญดีกว่าต่อไปเดี๋ยวก็จะเป็นลุยกันซะอีกตัวลูกเกิดนอกบุญญเขตแต่ปริยาเกิดในบุญญาเขตกับผูษษ้ศรสนาแต่ได้มาเจอหมู่คณะพร้อมกันและได้ร่วมสร้างบรมีกับหมู่คณะเออคนนี้สิน่าสนใจนั่นเป็นอนดีตที่ ด, ดีไปแล้วรอ้อยเนื้อร้อตัวลูกและปริยายก็ได้เป็นสามีภรรยายกันเหมือนชาตินี้นได้เคยมาสร้างบรมีกับหมู่คณะแต่ชาตินั้นตัวลูกก็ชอบกระทั่งกับบางคน ทำให้เกิดความน้อยใจยังเอาจากโมูะคณะไปช่วงหนึ่งแต่ภายหลังก็กลับมาสู่โมูะคณะใหม่โดามีพริยาคนนี้แหละเป็นกลยาณิตยให้เจ้าแต่โลกพระยาเคยสร้างบา ร, รมีกมบโคณะมาแบบกองสเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามบารมิ์ในนั้นชาตินี้ก็ต้องทําให้เต็มที่สม่ำเสมอ จ, จะได้ไม่พลาดกันเจ้าการที่โลกและพระยาเป็นการวงสำคัญที่พาคนมาวัดและบุรณวัดจะได้อานิสงส์โดยย่อคือ จะได้มีสายบุญกับหมูนะ่คณะไม่พลัดจากกันและจะได้มีบริวารพวกพ้องมีรูปสมบัติสรัสมบัติและคุณสมบัติเป็นต้นติดตัวไปในีนาคตจา้าชานี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติดวิจิตริลปบริวงบนวิเศษเขตบ ร, รามปริสัตจะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสัตตีสั้นๆเลจ้ะ